แยกได้เป็นสองประเภทคือที่แสดงเป็น ก, นกลางๆไม่ระบุชื่อหัวข้อปัจจัยอย่างหนึ่งกับที่แสดงเจาะจงระบุชื่อหัวข้อปัจจัยต่างๆซึ่งสืบทอดต่อกันโดยลำดับเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งอย่างแรกมักตรัสไว้นาหน้าอย่างหลังเป็นทำนองหลักกลางหรือหลักทั่วไปส่วนอย่างหลังพบได้มากมายและส่วนมากตรัสไว้ล้วนๆโดยไม่มีอย่างแรกอยู่ด้วย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 เป็นการแสดงให้เห็นแบบความสัมพันธ์สองในยะท่อนแรกที่แสดงกระบวนการเกิดเรียกว่าสมุทยวาระและถือว่าเป็นการแสดงตามลาดับจึงเรียกว่าอนุโลมปฏิจจสมุปบาทเทียบในอริยสัจเป็นข้อที่สองคือทุกขะสมุทัยท่อนหลังที่แสดงกระบวนการดับเรียกว่านิโรธวาระและถือว่าเป็นการแสดงย้อนลาดับจึงเรียกว่าปฏิโลมปฏิจจสมุปบาท เทียบในหลักอริยสัจเป็นข้อที่สามคือทุกขณนิโรธแสดงตัวบททั้งสองอย่างดังนี้อย่างที่หนึ่งหลักทั่วไปข้อกอท่อนแรกอิมัสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอิมัสสุปปาทาอิทังอุปปั ช, ชติเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นข้อข อ, ขอท่อนหลังแสดงกระบวนการดับอิมัสมิงอสติอิทังนหโตติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีอิมั ส, สนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับด้วยพิจารณาตามรูปพยัญชนะหลักทั่วไปนี้เข้ากับชื่อที่เรียกว่าอิทับปัจจยตา หมายเหตุเชิงอัดในคำพีปร ม, มัตธรรมชุษาชี้ว่าหลักทั่วไปนี้บางครั้งท่านขยายความโดยแสดงเพียงปัจจัยเดียวก็มีเรียกว่าเอกังคะปฏิจจสมุบาทแปลว่าปฏิจจสมุบบาทแบบหัวข้อเดียวตัวบทอย่างที่สองหลักแจงหัวข้อหรือหลักประยุคข้อก่อท่อนแรกแสดงกระบวนการเกิด อวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีสังขาระปัจจยาวิญญาณังเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีนามรูปปัจจยาสลายาตานังเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายาตณะจึงมี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 เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีภวะปัจจยาชาติเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีชาติปัจจยาชารามรนังเพราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณะจึงมีโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาสัมพวันติความโศกความคร่ำครวญทุกโทมนัสและความรับแคนใจจึงมีพร้อม เอวเมตัสะเกวรัสะทุกขกขันทัตสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งปวงนี้จึงมีได้ด้วยประการชนีข้อขอท่อนหลังแสดงกระบวนการดับอวิชชายะตะเววะอเสสะวิราคานิโรธาสังขารานิโรโธเพราะอาวิชชาสัมรอกดับไปไม่เหลือสังขารจึงดับสังขารานิโรธา วิญญาณนิโรโธเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับวิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรโธเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับนามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโธเพราะนามรูปดับสลาญตนะจึงดับสลายตนะนิโรธาผัสสนิโรโธเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับ ผัสสนิโรธาเวทนานิโรโธเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเวทนานิโรธาตัณหานิโรโธเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับตัณหานิโรธาอุปาทานิโรโธเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับอุปาทานิโรธาปวะนิโรโธเพราะอุปาทานดับภพจึงดับ ภาวะนิโรธาชาตินิโรโธเพราะภพดับชาติจึงดับชาตินิโรธาชารามรณงเพราะชาติดับชารามรณะจึงดับโสกะปริเทวทุกโทมณ ส, สุปายาสานิรุชันติความโศความคร่ำครวญทุกโทมนัณความขับแค้นใจก็ดับเอวเมตัสะเกวะรัสตะทุกกะขันทัตตะนิโรโธโหติ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 อยังโขหภิกเเวโลกัสสะสมุทะโยนี้แหลภิกษุทั้งหลายคือความเกิดขึ้นแห่งโลกอยังโขหภิกเเวโลกัสสะอัดถังขโมูนี้แหลภิกษุทั้งหลายคือความดับสลายแห่งโลกหรือว่าเอวมามยังโลโกสมุทะยติโลกนี้ย่อมเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เอวมามยังโลโกนิรุจติ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 อาการที่สิ่งทั้งหลายเป็นปัจจัยแก่กันและต่อมาในอัธกถ า, าดีกานิยมใช้คําว่าปัจจัยาการนั้นมากขึ้นจนปรากฏบ่อยครั้งกว่าคําว่าอิทธปัจจยาตาในหลักที่แสดงเต็มรูปอย่างในที่นี้องค์ประกอบทั้งหมดมีจํานวนสิบสองหัวข้อองค์ประกอบเหล่านี้เป็นปัจจัยเนื่องอาศัยสืบต่อกันไปเป็นรูปวงเวียนไม่มีต้นไม่มีปลายคือไม่มีตัวเหตุเริ่มแรกที่สุด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 บางคราวท่านป้องกันไม่ให้มีการยึดเอาอวิชชาเป็นมูลการโดยแสดงความเกิดของอวิชชาว่าอวิชชาเกิดเพราะอาสวะเกิดอวิชชาดับเพราะอาสวะดับอาสวะสมุทยาอวิชชาสมุทโยอาสวะนิโรธาอวิชชานิโรโทองค์ประกอบส2บสองข้อของปฏิจจสมุทบาทนั้นนับตั้งแต่อวิชชาถึงชรามรณะเท่านั้น 1>, 1. อวิชชา 2. สังขาร 3. วิญญาณ 4. นามรูป 5. สลาญตนาหผัสสะ 7. เวทนา 8. ตันหา 9. อุปาทาน 10. พบ1อชาติ 12. ชรามรณะส่วนโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปาญาตความคับแค้นใจ เป็นเพียงตัวพลอยผสมเกิดแก่ผู้มีอาสะวะกิเลสเมื่อมีชรามรณะแล้วเป็นตัวการหมักหมมอาสะวะซึ่งเป็นปัใจจัยให้เกิดอวิชชาหมุนวงจรต่อไปอีกในการแสดงปฏิจจสมุปบาทแบบประยุกต์พระพุทธเจ้ามิได้ตรัสตามลำดับและเต็มรูปคือชักต้นไปหาปลายอย่างนี้เสมอไปการแสดงในลำดับและเต็มรูปเช่นนี้มักตรัสในกรณีเป็นการแสดงตัวหลักแต่ในทางปฏิบัต ซึ่งเป็นการเริ่มต้นด้วยข้อปัญหามักตรัสในรูปย้อนลำดับคือชักปลายมาหาต้นเป็นชารามรณะชาติภพอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณสังขารและอวิชชาในทางปฏิบัติเช่นนี้การแสดงอาจเริ่มต้นที่องค์ประกอบข้อหนึ่งข้อใดในระหว่างก็ได้